Thank you.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 นับเงินส่งให้600บาทเอาเงิน600บาทนี่ไปซื้อทองมาหกสลึงเอามารับขวัญหลานชายแต่ก่อนนี้ทองคำบาทละ400รอาจารย์รีบไปซื้อทองมาให้วันรุ่งขึ้นแม่เขาอุ้มลูกขึ้นมาหายา่ายากดหลานชายสวมสายส้อยให้เป่าหัวให้เสร็จ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 และชอบฟังท่านคุยเล่าเรื่องต่างๆเรียกว่าเมื่อตักบาตรเสร็จคุณนายต้องมาวัดทุกวันถวายอาหารเสร็จก็คุยกับพระสมเด็จวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับไปแล้วพระหนุ่มรุกหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จเข้าไปกลาบเรียนว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงๆแต่เคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบ